3. โอวาดวัี 4. อามิศสิกขาบทว่าด้วยการสั่งสอนภิกษุณีเพราะเห็นแก่อามิศเรื่องพระชัพคี 164. สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาบินทิกาเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุผู้เป็นเทราทั้งหลายสั่งสอนพวกภิกษุณีย่อมได้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคิลานปัจจัยเพสัตวบริขาร พวกพิสูชุชาบัคีกล่าวอย่างนี้ว่าภิกษุผู้เป็นเทระทั้งหลายไม่ตั้งใจสั่งสอนภิกษุณีทั้งหลายพิกษุผู้เป็นเทระทั้งหลายสั่งสอนพิกษุณีทั้งหลายก็เพราะเห็นแก่อามิตรบรรดาภิกษุผู้มากน้อยพากันตำหนิประนามโพลธนาว่าฉนันพวกพิสูจนชาบัคีจึงกล่าวอย่างนี้ว่าพิกษุผู้เป็นเทระทั้งหลายไม่ตั้งใจสั่งสอนภิกษุณีทั้งหลาย